เทวดาทูลถามอะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้นอะไรเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้าพุทธดำรัสตอบพวกเกวียนพวกโคต่างเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สายเป็นมิตรของผู้มีธุระเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งบุญที่ตนทำเองเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้า